ของระบบของระเบียบอบรมใจก็คือพยายามฝึกหัดดัดแปลงขัดกล่าวใจิตใจของเราให้มันเคยชินกับระบบระเบียบที่เป็นเรื่องศีลเรื่องธรรมอดรมอบรมบม่มเพาะจริินิสัยให้เป็นไปตามศีลให้เป็นไปตามธรรม คนเราถ้าหากย่อนการอบรมแล้วเนี่ยคนที่เคยแข็งกระดา้างยังไงก็อยู่อย่างงั้นแหละเคยมีกิริยารางทางกายกระด้างยังไงก็กระด้างอยู่าาอย่างงั้นกิริยาทางวายจากกระด้างยังไงก็กระด้างอยู่าาอย่างงั้นเราจะรู้ได้ยังไงเราจะรู้ต่อเมื่อเราไปเที่ยวกับหลักกายากรรมวิจีกรรมเราไปดูหลักเนี่ย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 รู้ที่ตัวเราเองกิริยาทางใจเนี่ยมันอ่อนมากกว่าว่ามันฝึกอาดดัดแปลงเป็นไปนตามที่เราจับให้เขาอยู่ยังไงเขาก็จะอยู่อย่างนั้นจิตที่เคยแข็งกระด้างขาดทีริขาดโอตปะอืพอราอบรมไปอบรมไปอ่ อ, อรู้หลักของเวรของภัยของบาปของกรรมเป็นงี้เป็นงี้เป็นงี้เป็นงี้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 กายวายชาใจเนี่ ai, e. by, paid. ยมันประกอบกันด้วยไปด้วยกันไปตลอดแหละเรียนรู้ด้วยอ่ากิริยากายอย่างงี้เหมาะออย่างงี้ถูกอย่างงี้ไม่ถูกอย่างงี้เหมาะอย่างงี้ไม่เหมาะนุ่งหอมอย่างงี้ในการเช่นนี้ในเวลาเช่นนี้อนุ่งหอมอย่างงี้เหมาะอย่างงี้ไม่เหมาะกิริยาทางกายกิริยาทางวายชาคำพูด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 ถ้าเรามีความชนานาญสิ่งเหล่านี้แล้วเราจะอานหารเราจะอยู่ยังไงเราจะอานหารเราจะนุ่งหม่มในที่ยังไงเหมาะเรารู้ตั ว, วเออเราทำอย่างนี้ดีอย่างนี้เหมาะอา่ามันก็อานหารเราพูดจาไพเราะคําว่าไพเราะหรือนิ่มนวลหมายว่ามันไม่แข็งกระด้างโดยความ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 เป็นวจีกรรมที่ที่ไม่เป็นโทษนะเป็นคุณมโนกรรมก็คือนึกคิดอ่าที่เป็นกุศลอ่าไม่นึกคิดพยาบาทไม่นึกคิดปองร้ายไม่นึกคิดเบียดเบียนนี่เราเอาหลักนี้มาใช้ก็ต้องประกอบมาด้วยกรรมกายกรรม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 าบางทีใส่แต่กางเกงมันร้อนมันอะไรต่ไรเนี่ยมีแขกมีอะไรมาเขาควา้าเสื้อมาใส่ควา้าผ้าสบายมาเบี่ยงมาอะไรแต่ไรเนี่ยนี่มันเป็นการแสดงถึงแสดงถึงว่าไม่อยู่คนเดียวมีแขกมีคนมาก็ต้องมีการก็ต้องมีการรู้จักปกปิดความละอายเนี่ยกะวาดเขายังรู้จักปกปิดความละอาย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 เราเราก็นุ่งแบบนี้แหละนุ่งประอาบใส่ทังสะเนี่ยแล้วก็ปัดแล้วก็กวาดแล้วก็เช็ดแล้วก็ถูไปเดี๋ยวถ้ามีแขกมีคนมาก็ต้องดูอีกทีหนึง่งเหมาะหรือไม่เหมาะควรหรือไม่ควรไม่ใช่ปล่อยอยู่คนเดียวก็นุ่งหอมอย่างนี้มีแขกมีคนมาเต็มวัดก็นุ่งหอมอยู่อย่างนี้เน่ยเดินห้อยตรงเต้งตรงเต้ ง, ต ง, ตงไปหาเขาดูเหมาะ ห, ห, ห, ห, หรือไม่เหมาะควรหรือไม่ควรก็ต้องดูนะ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 คุบาวนั้นคุบาวนี้ภาษาไล่เลียกันสมานาสนิกะอะสมานาสนิกะท่านพูดเอาไว้ในหลักวิ น, นัยสมานาสนิกะพภาษาเกินกันไล่เรี่ยกันสองภาษาสามภาษาท่าเรียกว่ า, ส, า ส, มสมานาสนิกะผู้มีอาสนะเสมอกันอะสมานาสนิกะ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 ภาษาไล่เรี่ยกันสองภาษาสามภาษาอ่ะนั่งก่อนก็ได้นั่งหลังก็ได้ถ้าถ้าหากมีการไล่ไล่เรียเรียงไล่เรียงกันดูว่าหนึ่งภาษาหรือสองภาษาเราก็พยายามนั่งให้ถูกตามนั้นท่านจะมักจะถือพิธีพิธันเวลาฉันเวลาฉันเนี่ยที่ท่านให้ถือนั่งถูกต้องตามระเบียบที่สุดก็คือเวลาฉัน เพราะการฉันนั้นรวมไปถึงการได้รับได้รับอาหารโดยลําดับต่้งให้ความสําคัญโดยลําดับอาหารโดยลําดับเนี่ยสมมติยังแจกอาหารมาจากหัวแถวเนี่ยแจกไปแจกไปเนี่ ย, ยนะพระสิบองคอ์นเนี่ยสมมตินะพระสิบองค์มีใไข่เก้าใบเนี่ยเอามาจากหัวนั่นน่ะกระใบลระใบกะใบกะใบละใบมาและคนสุดท้ายไม่ได้นี่ท่านก็ถือว่าเป็นธรรมนะ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 แต่การนั่งเพื่อรับบินทบาทเนี่ยหรือไม่เดินบินทบาทเนี่ยท่านถือว่าได้ตามลำดับมีสิทธ์ตามลาดับอาวุโสพันเตอได้ตามลำดับอาวุโสพันเตก็ตเหมือนอย่างที่ยกตัวอย่างใครใข่เก้าใบกับพระสิบองค์เมื่อกี้นี่แหละไขเก้าใบก็แจกมาตั้งแต่หัวแถวเนี่อง องหัวแถวกันหนึ่งใบองที่สองที่สามมาองละใบละใบละใบละใบมาถึงองที่เก้าหมดพอดีองที่สิบไม่ได้นี่ก็ยังถือว่าเป็นธรรมก็ยังถือว่าเป็นธรรมเพราะอะไรได้ตามลำดับได้โดยลำดับนี่การนั่งสมานาสนิกะอาสมานาสนิกะก า, ก, าการนั่งกันห่มกันนั่ง การนอนการนอนโดยลำพังตามที่กติของเรานะท่านถือว่านอนตามสบายนอนยังไงก็ได้แต่ถ้าคนไม่มีไม่มีวัดถ้าคนไม่มีวัดก็ไปนอนคลุกศาสตร์นอนคลุกเสยเหม็นคลุงเราเคยเห็นนั่นแหละแต่ถ้าเป็นคนมีวัดหน่อยมันต้องมีผ้าปูที่นอนโดยเฉพาะพระเนนเราต้องมีผ้าปูที่นอนคราววัดเขาก็ยังมีผ้าปูที่นอน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 ปูทับผ้านวมเข้าไปอีกการปูที่นอนแต่บางคนไม่สนนะไม่มีข้อวัดไม่มีอะไรแหละนอนเอาหัวนะี่คลุกหมอนนะี่เหมือนคลุงดำปีนะบางคนอย่าลืมนะพระกรรมฐานเราเนี่ยต้องมีผ้าปูที่นอนต้องมีผ้าปูที่นั่ง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 อันนี้สองเกิดมาเป็นยักษ์ผ <ท ígen. S 2> <laughs> ิวกายทะปุ่มทะป่มเพราะอะไรเพราะว่ากรรมที่ไม่สำรวมระวังนะใช่ไหมมันไม่สำรวมระวังก <neighborhoods> ็เป็นเหตุให้ได้รับกรรมอย่างนั้นนะเราอย่าว่ามันเป็นเรื่องเล่นๆนะเรื่องบาปเรื่องกรรมมันไม่ใช่เรื่องเล่นนี่เรื่องเรื่องการการเป็นการอยู่การนุ่งการห่ม หมไปนอกวัดก็หมคลุมหมอยู่ในวัดก็หมปิดไหล่ข้างหนึง่งแต่ว่าถ้าเราบินธบในวัดเราก็ต้องหมคลุมอีกโดยเฉพาะพวกเราทรรมยุทธเราบินธบในวัดก็ตามเราก็ต้องหมคลุมการหมคลุมก็คือเอาบาทใส่ข้างขวา อาบาดเนี่ยสายบาดเพราะเราใช้สายสายสะพายเราใช้สายสะพายบางคนอย่างพนิกายบางทีเขาก็ไม่ไม่ใช้สายสะพายเขาก็อุ้มบาดตลกบาดก็ไม่มีเขาก็อุ้มเนื้อบางทีเขาก็มัดอกมัดอกแล้วก็เปิดไหล่ไปอันนั้นก็ถือว่าเป็นระเบียบนั่นอนะ่ะเปิดไหล่ข้างหนึ่งเสร็จแล้วเขาก็รัดอกนั่นก็ถือว่าเป็นชุดที่เป็นระเบียบของเขา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 พยายามอบรมให้จิตได้รับความสงบอบอยู่อย่างนั้นรอมอยู่อย่างนั้นขยับอยู่อย่างงั้น่ะขึ้นลงขึ้นตกขึ้นตกขึ้นตกเกาะตกเกะตกเกาะต ก, ตกจับอารมณ์พุทโธมาใส่พุทโธพุทโธตกไปพุทโธาาพุทโ ธ, ทโธตกไปจับเข้ามาพุทโธพุโธตกไปจับเข้ามากิริยาแบบนี้แหละที่จะนว่าอบรมอบรมทําจนได้ทําจนมีทําจนเป็น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 คำว่าไม่เอาหมายความว่ามันไม่มีอะไรจะให้ได้ก็เลยไม่เอาอก็มันไม่ได้อยู่แล้วจะไปเอาอะไรอีกประเด็นหนึ่งก็ว่าไม่ได้ไม่เอาคือทาไม่ได้อย่างนี้จะไม่เอาต้องได้อย่างนี้ต้องได้อย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องนี้ต้องงนี้ถึงจะเอาไม่ได้อย่างนี้ไม่เอานี่การตั้งใจฝึกตั้งใจฝึกให้ได้ให้เป็นอย่างงั้นแหละฝึกไปตั้งแต่น้อยไปหามากอตั้งแต่ง่ายไปหายาก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 คิดเรื่องรักคิดเรื่องราคคิดถึงเรื่องโทสะเนี่ยลองคิดดูที่ร้อนคิดเรื่องรักคิดเรื่องชังราคโทสะเน่ยรักกับชังก็คือราคะโทสะนั่นคำว่าราคะมันใช้ได้ตั้งแต่กิริยาพื้ น, นไปจนถึงกิรยยิยาหยับยาหยาบค า, ายที่สุดนั่นล เขาว่ากำหนัดกำหนัดกำหนัดตั้งแต่กิริยาหยับหยับไปจนถึงกิริยายาที่ละเอียดที่สุดท่านใช้คําว mm. ่าราคะราคะราคะคือความกำหนัดใช้ได้กับกิริยาที่หยับหยับไปจนถึงกิริยาที่ละเอียดที่สุดใช้กับกิริยาที่ละเอียดที่สุดรวมมาจนถึงกิริยาที่หยาบที่สุดภาษาบาลีท่านใช้คําว่าราคราคะราคะ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 นมามธรรมเป็นผู้เห็นใจเป็นผู้เห็นใจเป็นผู้เห็นตาไปสัมผัสไปสัมผัสกับรูปแต่ว่าต้องมีต้องมีใจนะมันถึงจะสัมผัสถ้าไม่มีใจก็ไม่สัมผัสไม่มีใจไม่สัมผัสนะตาคนตายไม่จะไม่สัมผัสรูปตาคนเป็นเนี่ยสัมผัสรูปเพราะ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 อย่างสมัยทุกวันนี้เขาทําไฟแช็คเขาก็มีไฟแก๊สเนี่ยเวลาเหล็กมันไปสัมผัสกับหินเนี่ยแช็คมันเกิดประกายขึ้นมาในขณะเดียวกันมันก็เดืองมันก็เปิดอ้าก็เดืองเปิดอ้าทำให้แก๊สนี่มันออกมาเห็นไหมทําให้แก๊สมันออกมาฟูมานฮะมันมาติดกับไฟมันมาติดกับไฟมันมาติดกับไฟ เราดูกิริยานี้แล้วเราก็ดูกิริยาไปที่จิตของเราก็เช่นเดียวกันนะพอรูประธรรมรูปไปกระทบรูปแต่นา ม, มาธรรมนา ม, มาธรรมมันเป็นผู้มันเป็นผู้ไปกระทบนา ม, มาธรรมเป็นมันเป็นผู้ไปกระทบตากระทบรูปนี่แหละแต่ว่นนา ม, มาธรรมเป็นผู้กระทบเกิดความรู้เกิดความรู้แล้วก็เกิดผัสสะเกิดเวทนาเห็นไหม เกิดผัสสะเกิดเวทนาอันน nee ั that that ้นคือผลิตผลต่างหากอันหนึ่งที่เกิดขึ้นนั่นแหละตัวยินดีเกิดขึ้นตรงนั้นแหละตัวยินร้ายเกิดขึ้นตรงนั้นแหละเราดูเถิดดูสาเหตุดูต้นต่อของมันที่มันจะเกิดราคะก็เกิดตรงนั้นเนี่ตัณหาก็เกิดตรงนั้นเนี่ยเกิดผัสสะเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานมันยึดมาเชงเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงแต่มันเกิด เดี่ยวในขณะเช็คเดียวนั่นแหละไม่ต้องมาไล่เป็นหนึ่งเป็นสองดอกมันเกิดในขณะพร้อมกันสัมปันเช็คเดี่ยวมันเร็วมันรวดเร็วมันรวดเร็วมากนี่เราพูดถึงอะไรเราพูดถึงราคะความกำนังทางกายราคะความกำนัดทางใจความกำนังทางใจก็รวมไปถึงความยินดีรวมไปถึงความยินร้ายความยินดีกับความยินร้าย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 เหมือนอย่างเราเคยรู้จักคนนั้นคนนี้อ่คนนั้นเป็นนั้นคนนี้เป็นนี้วัตถุสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนี้เป็นนี้เราก็จําได้เรานั่งหลับตาปั๊บสิ่งเรานั้นมาปรากฏที่มโนทวารของเราเช่นอย่างเรานั่งนึกถึงพ่อรูปพ่อของเรารูปแม่ของเรารูปเพื่อนรูปอะไรต่ออะไรของเราสรพัดเต็มไปนึกถึงกุฏิของเรานึกถึงอะไรเรานึกเรานึกได้หมดนึกถึงบ้านนั้นเมืองนี้นึกถึงอะไรเรานึกได้หมด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 เหมือนอย่างเราพูดถึงอะไรเราพูดถึงออสเตรเลียเนี่ยอา้าวเราไม่เคยไปนะาออสเตรเลียเนี่ยพอเราพูดถึงปับ๊บใจมันก็หมายโอ้โอออสเตรเลียมันเป็นเกาะเนาะเกาะเล็กอย่างนั้นเกาะใหญ่อย่างนั้นแล้วก็หมายไปคือเราจิตมันหมายจิตมันคาดจิตมันเดาจิตมันนึกไปของมันตัวนี้เป็นตัวเสริมถ้าเสริมทําให้เกิดก็คือตัวนี้เสริมทําให้เกิด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 ผัสสะกายสัมผัสใจน้อมนึกถึงอารมณ์ที่ล่วงไปแล้วเรียกว่ามโนสัมผัสมโนสัมผัสแล้วนั่งพิจารณาหัดนั่งพิจารณาหัดนั่งนึกอยู่อย่างนี้มันเป็นการใคร้ครวนหลักธรรมะอุปกรณ์ชิ้นส่วนอะไรอยู่ในในตัวของเราในจัดกายของเราในใจของเรามันประเทืองสติมันประเทืองปัญญามันทําให้เรารู้จักเตรียมตัวเตรียมเนื้อเตรียมตัว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 ถ้าหากเรามีความสามารถพิเศษเราก็สามารถเข้าไปถึงได้เข้าไปรู้ได้เข้าไปเห็นได้นี่เราพูดถึงอะไรเราพูด ถ, ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเราพูดเราพูดถึงความกำนัดในร่างกายราคะทางกายราคะทางใจความกำนัดมันเกิดขึ้นมาจากอย่างนี้แหละ กำหนัดตั้งแต่ชอบใจธรรมดาธรรมดาใจมันชอบเพื่อนๆพืนธรรมดามันนึกมันคิดมันปรุงไปด้วยเหตุที่เรามีกิเลสมีตัณหาในหัวใจมันก็มีความกำหนัดตั้งแต่ใจมันมีความกำหนัดมาจนถึงกายมันมีความกำหนัดกำหนัดเพื่อนๆพื น, พนธรรมดาอชอบใจเกี่ยวกับเรื่องสัมผัสเกี่ยวกับเรื่องสัมผัส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 มันทําให้จิตของเรากระเบื้อย่างนั้นกําเริ้ออย่างนี้เรารู้ที่เกิดขึ้นมันเมื่อเรารู้แล้วมันก็ดับเราก็ถ้าว่าเรารู้ที่ดับขึ้นมันเรารู้ว่าอะไรเกิดและเรารู้ว่าอะไรดับแล้วก็รู้เรารู้ที่เกิดขึ้นมันแล้วก็เราก็รู้ที่ดับขึ้นมันยังอยู่กิริยาเดียวที่เราจะต้องจะต้องต่อก่อนขึ้นมันก็คือกิริยาอุตสาห cultura, พยายามความภากความเพียรกําหนดจดจ่อขุดคุยขุดคน้นอืม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 ไปจากการฝึกการอบรมทั้งนั้นเนะราจะนับวันคืนลงไปเราอยู่ด้วยการฝึกฝนอบรมเราอยู่ด้วยการศึกษาเราอยู่ด้วยการฝึกการปลื้ไม่ใช่อยู่ศัตวว่าอยู่ไปวันวันเหมือนกระจนกะรนะแตไม่ใช่ปากหิวขึ้นมาแล้วก็ไปหากินน้นกินนี่จอกจกแจ๊กแจ๊ตามโคนไม้ตามยอดไม้นะไปึกดึงนั้นมา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 คร่ครวญพิจารณาทุกรยะทุกเวลาอยูอย่างผู้ศึกษาพระเสขาพระอาเสขาตราบไยที่ยังไม่ได้เป็นพระโสดาบันท่านก็ยังไม่เรียกพระเสขานะอันนี้มันเป็นการเรียกแต่ว่าคำว่าเสขาเสขาแปลว่าศึกษาเรายังไม่ได้เป็นเราก็เรียกได้เราเรากำลังเรากลังศึกษา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 ของจริงอยู่ในหัวใจของเรากายจริงของเราวาจาจริงของเราใจความรู้สึกภายในใจของเราจริงของเราเนี่ยศึกษาของข้างนอกแล้วก็มาศึกษาของข้างในฝึกฝนอบรมอยู่อย่างนี้อยู่อย่างผู้ศึกษาเอาการศึกษาเป็นเครื่องอยู่เป็นวิหารธรรมถ้าไม่งั้นแล้วก็มันจะรู้สึกมันจะรู้สึกงดงดเงดง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 ได้รับความแปรผัปลอดโปร่ปรปรงเบาสบายที่นั่นเมื่อนั้นตั้งใจฝึกฝนอบรมกันเอาละพอสมควร